ไตรปิฎกเล่มที่40สพระอภิธรรมปิฎกปัตฐานภาคหนึ่งพระอภิธรรมปิฎกเล่มที่เจ็เสียงอ่านโดยประชุมทองสเสวิตพระอภิธรรมปิฎกธรรมานุโลมติกาปัตฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกานิเคปวานหนึ่งปัจจยุทธเทศ หเหตุปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุ 2. อารมณปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์ 3. อธิปติปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอธิปดี 4. อนันตรปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้น 5. สมานันตรัปปัจจโย สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นด้วยดี 6. สหชาตปั จ, จโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดพร้อมกัน 7. อัญญมัญญปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นปัจจัยแก่กันและกัน 8. นิสยปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัย ๙อุปนิสัยปัจเจียสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยที่มีกำลัง 10. ปุเรชาตปัจเจียสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อน 11. ปัจฉาชาตปัจเจียสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดทีหลัง 12. อเสวนปัจเจียสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเสพบ่อยๆ 13. กามมปัจเจีย สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นกรรม 14. วิปากปั จ, จิโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นวิบาก 15. อาหารปั จ, จิโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอาหาร 16. อินทริยปั จ, จิโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอินทรีย์ 17. ชานปั จ, จิโย สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นฌาน 18. มัคคัปปเจียสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นมัคสิบเก้าสำประยุตตเจียสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นการประกอบ 20. วิประยุตตเจียสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นการไม่ประกอบ21่สิบเอ็ธิปเจย สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นภาวะที่ยังมีอยู่ 22. นัตถิปัจเจียสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นภาวะที่ไม่มีอยู่ 23. วิคัตถปัจเจียสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความปราศจากไป24อวิคัตถปัจเจียสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความไม่ปราศจากไป ปั จ, จยุทเทศจบปั จ, จยะวิพังควาลสองปั จ, จยนิเทศหนึ่งเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตได้เหตและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุตได้เหตุ น, หตนั้นเป็นสมุดฐานโดยเหตุปัจจสองอารามณะปัจจัยได้แก่รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขูวิญญาณธาตุนั้นโดยอารามานปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอารามานปัจจัยคันธายตนะเป็นปัจจัยแก่ขานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยขานวิญญาณธาตุนั้นโดยอารามานปัจจัยรัายตนะ เป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอารัมมณปัจจัยโพธพายาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอารัมมณปัจจัยรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะประสายตนะและโพธพายาตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุ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 3. อธิปฏิปัจจัยได้แก่ฉันทาทิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตได้ฉันทะและรูปที่มีธรรมันสัมปยุตได้ฉันทะนั้นเป็นสมุทฐานโดยอธิปฏิปัจจัยวิริยาธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยวิริยะและรูปที่มีธรรมันสัมปยุตด้วยวิริยานั้นเป็นสมุทฐานโดยอธิปฏิปัจจัย จิตตาธิบดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุตด้วยจิตนั้นเป็นสมุทฐานโดยอธิปฏิปัจจัยวิมังสาธิบดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยวิมังสาและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุตด้วยวิมังสานั้นเป็นสมุทฐานโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกใด ทำสภาวธรรมใดๆให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นๆเป็นปจัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตเจตสิกนั้นๆโดยอธิปฏิปจัจจัย 4. อนันตรปรจัจจัยได้แกจ่จักขูวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยจักขูวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันต ร, ปรัปัจจัย มโนธาตุ chat, และสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตรัปัจจัยโสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตรัปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนธาตุนั้น เป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยคารวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคารวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตรัปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้น เป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตระปัจจัยชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตระปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนธาตุนั้น เป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยกายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนธาตุนั้น เป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมบูรณ์ด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดหลัง เกิดหลังโดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลตึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ้งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลตึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกใดๆเกิดขึ้นในลำดับแห่งสภาวธรรมใดๆ สภาวธรรมนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกนั้นโดยอนันตรปัจจัย 5. สมนันตรปัจจัยได้แก่จักขูวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจักขูวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นโดยสมนันตรัพปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้น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 โดยสมนันตรปัจจัยคานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมยุทธ์ด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุแต่สภาวธรรมที่สัมยุทธ์ด้ว ย, ยมโนธ า, าตุนั้นโดยสมนันตรัปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมยุทธ์ด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยสมนันตรัปัจจัย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 ก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลตึงเกิดหลังเกิดหลังโดยสมาันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลตึงเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตตึงเกิดหลังเกิดหลังโดยสมานันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลตึงเกิดก่อนเกิดก่อนแกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลตึงเกิดหลังเกิดหลังโดยสมาันตระปัจจัย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 เกิดหลังโดยสมานันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตดึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลจึงเกิดหลังเกิดหลังโดยสมานันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเจตสิกใดๆเกิดขึ้นในลำดับแห่งสภาวธรรมใดๆสภาวธรรมนั้นๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตเจตสิกนั้นๆโดยสมานันตระปัจจัยหก สหชาตปัจใจได้แก่ขันธ์สี่ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยสหชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามารูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเจตสิกป์เป็นปัจัยแก่จิตตัดสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยมหาภูตารูปเป็นปัจจัยแก่ อุปาทายรูปโดยสหชาติตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปบางคราวเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยสหชาติตปัจจัยบางคราวไม่เป็นปัจจัยโดยสหชาติตปัจจัย 7. อัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์สี่ที่ไม่มีรูปเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญะปัจจัยมหาภูตรูปสเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยในปฏิสนธิขณะ นามรูปเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย 8. นิสยาปัจจัยได้แก่ขันธ์สที่มิเป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและการโดยนิสยาปัจจัยมหาภูตรูปสเป็นปัจจัยแก่กันและการโดยนิสยาปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามรูปเป็นปัจจัยแก่กันและการโดยนิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเจเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูป โดยนิสยปัจจัยมหาภูตร so ูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยนิสยปัจจัยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจักขวิญญาณธาตุนั้นโดยนิสยปัจจัยโสตายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยนิสยปัจจัย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 และสภาวธรรมที่สัมปรยุทธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยนิตยภาพัจรูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปรยุทธ์ด้วยธาตุทั้งสองนั้นโดยนิตยภาพใจเก้ 9. อุปนิทยภาพใจได้แก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลทึ้งเกิดหลัง เกิดหลังโดยอุปนิสตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลบางเหล่าซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอุปนิสตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อน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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดก่อนเกิดก well. ่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทซึ่งเกิดก่อน เกก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอุปนิสติยปัจจัยแม้อุตตุและโภชนะก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสติยปัจจัยแม้บุคคลก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสติยปัจจัยแม้เสนาสนะก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสติยปัจจัย 10. ปุเรชาตปัจจัยได้แก่ จักขายัตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจักขูวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยโสตายัตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยคานายัตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัย ชิวหายตนะเป็นปัจจัยกระชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยรูปลายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขรวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจักรวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัย สัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมประยุทธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยคันทายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมประยุทธ์ด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยรัายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมประยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัย โพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาบธรรมที่สัมยุญด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยรูปายตนะศัทธายตนะคันทายตนะรัศ า, ายตนะและโพธาพายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาบธรรมที่สัมยุญด้วยมโนธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยรูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไป เป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภ า, าสประธานที่สัมพยุต ด, ด้วยมโนธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยบางคราวเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาประธาน ท, ท, ท, ที่สัมพยุต ด, ด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยบางคราวไม่เป็นปัจจัยโดยปุเระะชาตปัจจัย11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 สภาวธรรมที่เป็นอคติสนซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศสนซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากตกิริยาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากตะกิริยาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนาปัจจัย 13. บสมกรรมปัจจัย ได้แก่กรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกะตัตรารูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุตและรูปมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุดฐานโดยกรรมปัจจัย 14. วิปากะประปัจจัยได้แก่ขันธ์สี่ที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและการโดยวิบากปัจจัย 15. อาหารปัจจัยได้แก่กวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัยอาหารที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สามปยุต์และรูปซึ่งมีสภาวะธรรมนั้นเป็นสมุทฐานโดยอาหารปัจจัย16อินทริยปัจจัยได้แก่จักขุนสี่เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและสภาวะธรรมที่สัมปยุติได้จักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัย โสตินทรีเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวะธรรมที่สัมปยุตได้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัยคานินทรียเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวะธรรมที่สัมปยุตได้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัยชิวหินีเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวะธรรมที่สัมปยุตได้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัย กายินสีเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุตด้วยกายวิญญาธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัยรูปปรจชีวิตินสีเป็นปัจจัยแก่พัตตารูปโดยอินทริยปัจจัยอินสีที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุตและรูปซึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุทฐานโดยอินทริยปัจจัย17ชาะปัจจัย เด็แก um, an, ่องค์ชาญเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุตด้วยชาญและรูป huh. ซ um, ึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุทฐานโดยชาญปัจจัย 18. มัคคะปัจจัยเด็แก่องค์มัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุตด้วยมัคและรูปซึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุทฐานโดยมัคคะปัจจัย 19. สัมพยุตตาปัจจัยเด็แก่ขันศี ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยสัมปยุตตปัจจัย 20. ่ิบวิปยุตตปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยวิปยุตตปัจจัย21อธิปัจจัยได้แก่ขันธ์สี่ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอธิปัจจัย มหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่กันและการโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามรูปเป็นปัจจัยแก่กันและการโดยอธิปัจจัยสภาบธรรมที่เป็นจิตเจตสิกเป็ น, นปัจจัยแก่จิตสมุทฐานนรูปโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยอธิปัจจัยจักขายาตนาเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาต ได้สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจกักรวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยโสต า, ายตะนะ <versuchen> เป็นปัจจัยแก่สโสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วย <making> ส <ese> สโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยคานายตะนะ <mauvais> <Luther an> เป็นปัจจัยแก่คานาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สามปยุทธ์ด้วยคานาวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยเชิวหายตะนะ เป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาประธานที่สัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาประธานที่สัมปยุทธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณธาตุและสภาประธานที่สัมปยุทธ์ด้วยจักรวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยสัทธายตนะ เป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยคันทายตนะเป็นปัจจัยแก่คารวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคารวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยรัสายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยโพธพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยรูปายตนะศรัทธายตนะคันธายยตนะรัศายตนะและโพธายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยรูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไป เป็นปัจจัยแก่มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและสภาประธานที่สามปยุทธ์ด้วยธาตุทั้งสองนั้นโดยอัตถิปัจจัย22นัตถิ ป, ปัจจัยได้แก่สภาประธานที่เป็นจิตและเจตสิกที่ดับไปไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีเป็นปัจจัยแก่สภาประธานที่เป็นจิตและเจตสิกที่เป็นปัจจุบันโดยนัตถิ ป, ปัจจัย23วิคตปัจจัย แต่แก่สภาวธรรมที่เป็นจิตเจตสิกที่ปราศจากไปไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตเจตสิกที่เป็นปัจจุบันโดยวิคตปัจจัย24อวิคตปัจจัยได้แก่ขันธ์สี่ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและการโดยอวิคตปัจจัยมหาภูตรูปสเป็นปัจจัยแก่กันและการโดยอวิคตัปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามรูป เป็นปัจจัยแก่กันและการโดยอวิคตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานโดเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอวิคตตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยอวิคตตปัจจัยจักขายแตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุตได้จักขวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตตปัจจัย โสตายยตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตตปัจจัยคานายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตตปัจจัยชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตตปัจจัย กายายัตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตตปัจจัยรูปลายัตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณธาตุและสภาธระธที่สัมพยุตด้วยจักรวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตตปัจจัยศรัทธายัตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาธรรธที่สัมพยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตตปัจจัยคันทายัตนะ เป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตตปัจจัยรัศายตระณเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตตปัจจัยโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตตปัจจัยรูปลายตนะ สัทธายตนะคันธายตนะรัศายตนะและโพัพายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุด้วยมโนธาตุนั้นโดยอวิคตตปัจจัยรูปที่มโนธาตุและมโนวิ ญ, ญญาณธาตุอาศัยเป็นไปเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุมโนวิ ญ, ญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุด้วยธาตุทั้งสองนั้นโดยอวิคตตปัจจัยปัจญยนิเทศ จา